แสงเงาการสบายจิตใจของตนเหงืง่อเย็นสงบธรรมาของพระพุทธเจ้าเป็นของดีมีฐานสูงอยากหาอะไรเสนเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของหายากพระธรรมะทุกบททุกบทที่ท่านละ้อนออกมา เราที่นี้พุปเธนาดูเป็นของสุขุมละเอียดมากแต่ส่วนใหญ่พวกเราไม่คยใส่ใจเราลุกนึกถึงธรามะของพ่ะพุทธเจ้าเดือนนั้นพวกเราจึงได้รับความกะบวนกว่าเดือร้อนภายในจิตในใจของเราธรรมะของพระพุทเจ้าเป็นเครื่ อ, องวัดปอกจิตใจ ให้มีความส่อใสเยเยือกเย็นจยุดที่มีธรรมะเข้าไปแฝงอยู่ยอมในรับความรู้ความสงบเวื่นั้นพวกเราท่านที่อุตสามาจากทางไกลเพื่อฝึกอบรมจิตใจทั้งตนในทางธรรมของพระพุทธเจ้าจงอุตสาห์พยายามและลุกนกชิง คำของพระุทธเจ้าที่สอนสัทธาสัตว์ได้รับความสุขความเจริญคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาพไหนประเทศไหนถ้ามีใจให้ต่อทำทำสั่งสอนของพระองค์แล้วบุคคลผู้นั้นก็มีความสุขความสบายภายในใจแต่เพืาอว่ามนุษย์เรากลัวไป ในคอยอยากอยากไขคิดทำของพระพุทธเจ้าพอเลึกเลกคิดไปนิดหน่อยมีอุปรสรรคส่วนใดส่วนหนึ่งาาามาจีบไขยพ่อมาอยากปล่อยมือไปเทียส่วนทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ออกมาเน้สอนพับพระสัต์พระองค์ฝ่าสีน อุปสรรคศัตรูทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้ความรู้คามสลาดมาเนี่ยสอนสพระพุทธไม่ใช่ว่าจะได้มาอย่างง่ายดายเหตุ น, นั้นพวกเราท่านจีนับถือพระพุทธพรธรรมภรสงเป็นสรณะนะหากเรเล่นเน๊ตคิดถือแบบสบับของพระพุทธเจ้าที่จะทำบำเพ็ญมา กเราทั่วไปก็จะได้รักความเชื่อความเลื่อมใสความสุขความเจริญภายในใจเหมือ น, นกันเมื่อเจอความเจ็ปวดหรือเหนืดเหนื่อยในการภาวนาในการ บ, บรํราเพ็ญธรรมจิตของตนก็ให้รเลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เคยสู้เคยอดทนมาอย่างไรคำสอนที่ ท่สอนว่าทันตืความอดทนก็อดทนต่อสิ่งที่ตนไม่ต้องการสิ่งที่มาก่อควนจิตใจนั่นเองหากมีความอดความทนจริงจึงจังๆแล้วเรื่องความเจ็บปวดหรือเมื่อขบต่างๆเหล่านั้นหาใจของพวกเราท่านที่ไม่จิจจรณนารทมสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยจะตก อ, ออกไปหายออกไป พอใจเขาสู่ความสงบสึ่งเหานั้นจะหายขาดไเหมือนเราบ่าวไม่เคยมีไม่นึกว่าในตายของเราเลยเมื่อตายทั้งตัวจะไม่รู้สึกว่าอยู่อย่างไรไปอย่างไรเป็นอย่างไรเบาทั้งตายเบาทั้งใจไม่เคยเห็นเคยเป็นมาจากเก่าก่อนเรื่องความสุขที่เเราเคยรู้เคยเห็น จากเรื่องโลกโลก <c oughs> ไม่เคยเป็นเคยเห็นอย่างนั้นความสุขอดใจันคือความปล่อยวางของจิตขาดจากเวทนาะหรือขาดจากปัญญาอารมณ์ต่างๆไม่ยึดมั่นถือมั่นในขาดในขันทั้งตนเพราะจิตรวมรวมตัวขณะเวลาตัวตา่างขะรู้สึกว่าความสุขส่วนนี้เดินดับในจิตในใจ ใจของเราเมื่อประสบพบเข้าสิ่งทามสุกอย่างนั้นก็มีความเชื่อความเลื่อนใสมีการอยากจะทําบำเพ็ญให้ความสุขเหล่านั้นเกิดขึ้นในตัวของตัวโดวยบ่อยเหตุนั้นจึงมีความข้าความเขียนมีความพยายามเมื่ออุ ป, ปรสรรคศัตรูหรือสิ่งจีดขัเกิดขึ้นในเมื่อเราทําต่อไปเราก็มีใจ เช่อมั่น่างเหล่านี้เชื่อมหายไปได้ในตานใดสมัยหนึ่งเมื่อจิตของเรารวมรวมได้เราก็มีความเชื่อความเลื่อนสมีใจอยากจะทําบําเพ็ญผลที่สุดการจะทําบําเพ็ญของตนแต่ทําบําเพ็ญบ่อยๆไม่กล่อยให้จิ่งหยุดขวงเหล่านั้นเป็นศะตูต่อการจะทําบําเพ็ญของตนผลที่สุดก็เลยไปศพพดเขียนเบาจนเคยจินในคามสงบสงัดของตน ่เป็นเป็นคนคนหนึ่งสึ่งรู้ซึ่งเข้าใจในธรรมธรรมต่างๆของพระพุทธเจา้าอยากแต้ำอยากบำเพินทุกการทุกเวลาส m, ม่ำเสมอใส่เมื่อใจมีความสงบปล่อยวางจากความยึดถือต่างๆหรืออุปสรรคต่าง ๆ, ๆด้เวลาถอถอนออกมาจากความสงบสงัเหล่านั้น จะจาาพิจารณาขาดขันหรือพิจารณาอะไรสิ่งเราเคยสงสัยสิ่งเหล่านั้นจะหายสงสัยไปได้เพราะจิตใจของเราสงบลงรวมแล้วในที่ว่าจิตของเราตั้งมัน่นพอจะจาาพิจารณาขาดขันหรืสิ่งต่างๆไขใจตามเป็นจริงถ้าหาจิตของเราวอกแวกในตั้งมัน่นมีการสายเสดไปสู่สัญญาอารมณ์ไม่มีวันมีเวลา ที่เป็นอย่างนั้นจะพิจรารณาธาตขันหรือพิจารณาอะไรไม่ค่อยแฝงใส่พัดเกินและปล่อยลางไม่ได้เหตุนั้นพระพุทธเจะาสอนในการภาวานาการอบรมจิตใจ เ, เรื่องต้นก็ไม่อยากจะสอนให้บุคคลได้รับการสงบเสียก่นอนแต่จึงอยากสอนให้บุคคลอบรมเรื่องของสมาธิเมื่อสมาธิ คือความสงบสงับได้เฉากางเฉาเวลาเฉาต่างมีสงบสงัดจริงจัเป็นถึงอัปรนาเฉาต่างนีสมาธิเป็นพื้นฐานน้าอย่างนั้นการที่เจรณานาถขันนี้ที่เรณาทางที่ตัจนางก็ค่อยรู้ค่อยใ่ใจค่อยปล่อยปล่อยางใส่ถ้าหากเราจะติดมั่นตัแต่เชียงความสงบสงัดแต่เพื่อปฏิบัติ อยากจะให้การนสงบสงัดเกิดเป็นเห็นจริงอยู่อย่างนั้นเมื่อถอดถอนขึ้นมาก็จะคนจิตของตนให้รวนอยู่อย่างนั้นไม่พลาดเป็นผ่าเพราะเหตุบาริตรสนาไม่มีเลยจิตม่นอยู่ในสมาธิจิตมั่นอยู่ในฌานสงบสงัดปัญญาจะที่ไม่พิจารณาแก้ไข ส่วนอะไรออกจากความยึดมั่นในจิตในใจไม่ค่อจะเกิดจะมีขึ้นเกิดนั้นพระพุทธจ้าจึงสอนให้มีสมาธิและปัญญาปัญญาก็เป็นเรื่องที่อบรมให้เกิใ ห, ให้มีขึ้นเหมือนกันกับด่านสมาธินี่ไงว่ามีสมาธิและปัญญาจะเกิดจะเป็นจะเห็นแจ้งเป็นทีเดียวปัญญาจะต้องทำหน้าที่อย่างหนึ่งสมาธิจะทำหน้าที่อย่างหนึ่งกางรลงรวมของจุดตข้งใจ ถังลองรวมแ ล, ล้วลองรวมเล่าเหมือนมีรันมีเวลาอยากจะออกมาสู่อารมณภ์ภายนอกพอออกมาเนื้อจิตจิตตามอะไรนิดหน่อยก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้มันยุ่งมันลำบาบกสู้สงบสงบสู่ปล่อยตูววางสู่เข้าสมาธิไม่ได้ทางใจใจหยั่งนี้เป็นทางใจจิตเป็นมิสาาสมาธิเป็นสมาธิหัวหลักหัวต่อดยเพอะล่นไม่ได้ปัญญาให้ชาสามรู้ที่จะแก้ไขแกยจิตใจ ขัดข้องอุน่นหลส่วนนั้นสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีก็มีอยู่ในตัวของพวกเราไม่ใช่มีอยู่ที่อื่นถ้าใน ม, มีในตัวของพวกเราเราก็ะหาในได้ทำไม่ได้เกิดขึ้นในได้ของมีอยู่แต่เราไม่รู้เราไม่ค่อยใจใน ม, มีการที่ไม่ที่จอกนี่ยจะทายของนั่นให้มีท่าเกิดขึ้นในตัวของพวกเราของเหล่านั้นก็เสียหายตัว ตา ต, ตาตัวตไก็ได้รับประโยชน์อะไรการแจกไขการที่นิพพ า, านการปฏิบัติปฏิบัติทางพระาศาสนาทางแห่งเราเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงจังแล้วพวกเราทุกคนก็จะได้พากันเสร้ยความสุขจากรสชาติท่พระพุทธเจ้าแงสอนเอาไว้โดอจิตใจของเราจะเข้าถึงธรรมะทุกท่านทุกข้อ เป็นล้นะเป็นพึ่งของจิของใจได้อย่างแน่นอนทัดนนี่ได้ส่วนใหญ่จะมปัจจุบันโลกเจริญส่วนคำคำสั่งสอนทาแหโลกเจริญแล้วคนกอมองแต่สายโลกไม่ค่อยมองสายธรรมไม่ค่อยอยากจับคิดไม่ค่อยอยากจับทำในทางทำคาสอนของพระพุทธเจ้า เห็นมาสายโลกเป็นท้องดีท้องดุนเห็นว่าสายโลกเป็นท้องใหม่เลยตั่งใจติดฟามแต่เรื่องของโลกอู้ไปเท่าไรก็ยิ่งหลงไปเท่านั้นอู้ไปเท่าไรก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่ไปเท่านั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะสงบร่างนักไม่มีวันมีเวลาที่จะปล่อยจะวางอย่างที่เหลือปัญหาความด่ า, าของจิตของใจออกได้เส่ยนสายรู้ทางสาธาร รู้ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้เท่าไรยิ่งปล่อยไปยิ่งวางไปรู้ปล่อยรู้วางไม่ใส่รู้หอบรู้หึ่ยรู้แบกรู้หามเหมือนเหล่ยมของโลกเหื่ยมนั้นเรื่องของธรรมยิ่ ง, งททมีธรรมสะดวกสบายคนที่หอบที่หึ่ที่หามที่หามเป็นคนหนักคนที่ปล่อยที่วางที่ทอดที่ซึ้งคนนั้นสบาย สั không cues, to to. He He ่งายของพวกเราสะดหอบเหนื่อแบบหามอยู่ทุกการทุกเวลาเป็นของลำบากอย่างนั้นส่วนเรื่องจิตเรื่องใจของพวกเราท่านแด่หามเฉลื่อปัญหาไม่มีวันมีเวลาที่จะปล่อยจะวางแบบอยู่อย่างนั้นหามอยู่อย่างนั้นเข้าใจว่าตัวสะดวกเข้าใจว่าตัวสบายแล้ะกว่าวุ่นวายขับข้อเป็นไปอยู่ทุกการทุกเวลาเพราะเราไม่ปล่อยถ้าเราไม่วางพราะเราไม่รัก ส่วรทำถอนให้พวกเราละการสื่อสาร ะ, ะจะปล่อยจะวางได้ก็เพราะที่เจริญในะ้าใจเห็นโทษในสิ่งนั้นชัดเจนจอยได้วางได้เห็นว่าของเหล่านั้นไม่มีคุณค่าสาระประโยชน์เราก็ไม่แบดบไม่แามไม่หอบไม่หิ้วถ้าเห็นว่าส่ว น, นนั้นยังเป็นของมีสาระประโยชน์ตั่ววอยู่ไน่รู้คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริง เราต่อหอบต่บอเหนียวตแบบก็หามไปขนานั้นหรือความรู้ความฉลาดหรือความเห็นความจชือในท้องจิตท้องใจผู้ที่จนคนหนาอย่างพวกเรามักหอบเหนียหรือหาแมสิ่งที่ใน ม, มีสาระประโยชน์ไรู้ตามจริงจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรเหมือ น, นกันณั์คนเสียจิตถือเอาสิ่งที่เขาไม่ถือว่เป็นข้องหดีท้องดี เกบเอาจริงคือในมีสารประโยชน์แบบ้ามไปหรือห่อผิวไปมีคนอื่นจะว่าให้จริงนี้เป็นอย่างนั้นจริงนั้นเป็นอย่างนี้ในดีในมีค่าจะเอาไปทำไรเขาลับแหน่ะเราเหนื่อยรู้เหนื่อเข่าใจคนเสียจริตมักเป็นอย่างส่วนคนเสียจริในทางพระพุทธศาสนาในทางธรรมะของพระพุทธเจ้าทางแห่งระยกบุคคล ท่วไปที่มิจิจารณาผู้ด้อยชนคนหนาอย่างพวกเราก็เหมือนกันกันกบคนบ้าคนเสียใจรธรรมดาม่กอยากเก็บเอาของที่มนมีคุณค่ามากอยากแบบหามเมาะแสที่มันมีสาระประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าละที่พระพุทธเจ้าปล่อยเช้่อเราถือว่าเป็นของดีมีคุณค่าตรงกันข่ามกับพระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าทั่วไปเศรษนั้นตายใจของพวกเราจึงได้รับความว่าร้อน ลุ่มหลงไปในสิ่งต่างๆไม่มีวันมีเวลาความลุ่มหลงความผูกพัน เ, เหนือเวลาเราในที่นี้ที่เจอเนียก่อนนับวันนับเวลาที่จะหนาเพิดมขึ้นเหมือนกันกับบ้านเรือนหรือสิ่งของของเราที่เหนื่อยทำความสะอาดฝนละอองอะไรต่างๆจิตเนบหน่อยวันนั้นวันนี้หลายข้างหลายปีเท่า ก่อนหน้ที่างแก้วน่นของเราไม่เคยล้างเยทำความสะอาดสักทีหลายๆทีเข้ามองไม่เห็นว่าเป็นแก้ขาวหรือแก้วดหรือแก้วอะไรพอมันตุดเกิดกังหนแ่นเข้าไปเป็นอย่างนั้นจิตใจของวกเราขั้นก็เหมือนกันถ้าหากเราไม่ทความสะอาดบดคาเจามองคุณมัวจความและความติด อยากเหียบปัญหาสอมมิอยากจับติดเข้าไปทุกทีจนน้นั้นไม่มองเห็นอะไรชัดเือนเราเป็นด่างไรเหมือนน้าที่ขุ่นเราจะเอาอะไรไปหมักไปดองเอาไว้ในนั้นเราก็มองไม่เห็นว่าอะไรอยู่ในนั้นพอมันขุ่นผ่านในเั้นใสยังละอองอะไรตกลงไปขุ่นนุ่นๆหน่อยๆก็มองเห็นได้ เนี่ยจิตใจสองฝูงเราสั่นทั้งหลายก็ขอให้ภากันทำคาถาภาการมันที่นี้ทีเจ้านะมันชำละสั่งใ้าทำทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆพอได้ขัดจิตใจของเราจิตใจที่เคยเศร้าหมองเมื่อขัดบ่อยๆไปจิตใจก็จะค่อยผ่องใสขึ้นค่อยสะอาดขึ้นแนมคุณถ้าหากเราสั่นเรื่องตองหลายครั้งหลายที น้ำขุ่นนั้นจะกลายเป็นน้ำใสสะอาดสามาที่จะอาหรือจะดืม่มได้อย่างสนิทใจถ้าหากเราไม่กรองหรไม่ตัดแม่นั้นก็จะขุน ม, มัวหยุดเรื่อยไปแน่ใจของพวกเราทั้งหลายคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกรองกรองให้สะอาดกรองให้ใสกรองให้หย ด, ดให้ดีเต็มไป เนี่ยมันใสมันสะอาดมันก็มองเห็นสิ่งที่มันคล่องมันตุดคือที่มันไม่ดีหน่ยงานอย่างไรแล้วก็มีช่องทางที่จะแก้ไขให้จะอาดไปได้ให้ดีไปได้ที่พวกเราทั้งหลายมองแค่ในข่ายที่นี้ที่จะเรียนน า, ามธรรมของพระพุทธเจา้าเป็นว่าธรรมเป็นของเือของล่าเสมอมใันไปล่ะโหลกเป็นของดีที่สุดความเราเลิกนึ่คิดเป็นอย่างนี้ พวกเราทั่วไปทินจิตของอยู่ในรัศษาแสงเลื่อยมาตลอดเพราะชาปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังไม่มองเห็นสองทางถี่จะชำระสายาสงจิตใจให้สะอาดไดแต่ตารจะทำบำเท็ญทุกการทุกเวลาอุตส่าห์พยายามชำระสายแสงเรื่องความทั่วเรื่องที่เหลือปัญหาของตัวสม่ำเสมอใส่ชำระ วันนั้นวันนี้หลายขั้นหลายทีก็ค่อยหมดไปสะอาดไปผ่องใสได้จิตใจเคยยึดถือเคยลุ่มหลงเคยกำหนัดยินดีค่อยค่อยหายไปหมดไปเมื่อจิดส่วนนั้นหมดไปความผ่องใสความสะดวกสบายในจิดในใจก็เกิดแทนขึ้เราก็าได้รับความสุขทางสบายจากการละสายสังเหตเหดนั้น ทุกวันทุกเวลาที่พวกเรามีชีวิตอยู่ต้องอุตส่าห์พยวยามที่จะเรียนาตามคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปชำละจิตใจของพวกเราให้ผ่องใสให้สะอาดอย่าไปถือว่าเราไม่สามารถจะกำจัดออกได้เรานี่แหละเป็นคนที่สามเณรคนหนึ่งถ้าในนี้ใทยเราแล้วคนอื่น ในสามะที่จะตัญจัดเรื่องความสัว้วออกจากใจเราได้เราเล็กๆได้อย่างนั้นเราก็มีความขยันหมั่นเพียรในการจะแตะธรรมบาเพ็ญในการจะอบรมจิตใจของตนให้รับความสุขความเจริญทางเราแบบที่นี้ชี้แจงเยป่อยวางเอาไว้ จ, จิตใจจิตใจเศร้าหมองก็จะเศร้าหมองเส ม, อ, สมอไปหรือทวีคูณขึ้น ถามต่อมองคุณมัวตัวของเราไม่ขาดพนาแต่เทราว่าสร้างเอาทำที่เราสร้างเอาไว้ไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะมาแดกถามแทนตัวของเราเหิดนั้นการขยันหมั่นเพียรจเป็นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบทหนึ่งเราเพียนชำระสายสังเราอดเราคนเราทำ อากทำลำบากต่างๆาตเราไปทาบาเพ็ญเสีแบบทิมคือดีคือถือฏิบัาิของพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านไปทำบเพ็ญมาเราทุกคนคจะมีทำดีเดเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยสัสมอรมมาเมื่อเราไม่ทอย่างนั้นจึงท้ากันในรับความ ลุ่มหลงนิเดือดร้อนความเดือดร้อนเกิดขึ้นจากตัวของเราเองเพราะตัวของเราไม่มีการสำลักสาสมหากทุกคนรู้เรื่องของจิตจะเป็นของที่สุเโตได้ไม่เหลือที่ใสในการสึกในการอบรมจริงจังแล้วก็อุตส่าหพยายาฝึกฝึตขงตนทุกวันทุกเวลาตั้งหน้ต่างๆ อุสาห์พยายาำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าไม่ขอดถอยกำจัดส่วนชั่วบำเทนส่วนดีให้มีขึ้นในจิตของตนอยู่สม่ำเสมอไปเมื่อความดีเทียงพอบอริบูรณ์แล้วความชั่วเหล่านั้นก็จะหมดไปหายไปอุสาหสัง่งเป็นงานความดีสั่งมาให้เทียงพอบอริบูร์เมื่อมัก เพียพอบริบูรเมื่อใดผนก็จะระจับขึ้นในใจของตนเมื่อนั้นผลเป็นของที่เราสร้างเอาไม่ได้จะสร้างเอาได้แต่มาส่วนผลจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วเป็นเลืองของผลเหมือนกันกับเราปลูกส่วนไหมเราบำรุงลําต้นของมันให้ดีพอมันแต่ มาต้นไม้ต้นนั้นแหละจะที่เดาออกผลจะบุคคลผู้ไปปลูกสร้างเอาไว้ไปรับผลผลของมันเมื่อยังไม่แฉงมันก็มีรสชาติเป็นอย่างหนึ่งเมื่อมันแฉะมาเต็วรสชาติไปเป็นไปอีกอย่างจิตใจของวเราท่านเมื่อพยายามสร้างมะเอาไว้ก็จะปลากดผลส่วนเลในตนของตน เห็นต่อจากพัดนแต่ก่อนที่เรายังไม่เคยแมสอนตัวของเราเลยเราไม่เคยตั้งปฏิบัติเลยจิตใจของเราเคยวอกวนจิตคนถึงทำแม่ฟังไม่พ่อยได้ใจหรือไม่หรือจิตใจมันไหลไปสู่สัญญาอารมณ์อะไรปฏิไม่มีตลอดอยู่สิบสี่ชั่วโมงไหลไปตามสัญญาอารมณ์ไม่รู้ว่าไปสู่อะไรต่ออะไรคนที่มาตั้งคิดปฏิบัติมีสฏิ รักษาจิตใจของตนยอมเห็นว่าวันนี้คิดอย่างนั้นวันชั่วโมงนั้นคิดอย่างนี้รู้จักเข้าใจแล้วแต่ชียวิจัย ใ, ในเมื่อจิต ข, ของตนวุ่นวนุ่นคิดพลันไปทางสิดทางสิดจนไม่ต้องการเมื่อรู้จักก่อแหา ม, มันได้กั้นมันได้ไม่ปล่อยมันไปมีเหตุการณ์ต่อที่ต่จิตแบบเห็นผล ในขั้นตอนของตนวหวจิตของตนไปเป็นอย่างนั้นจิตของตนไปเป็นอย่างนี้ถ้าคนไม่มีสติเอาเสื้อเลยมันคิดอะไรมันไปอย่างไรมันตัดมาเมื่ อ, อไรก็ไม่เข้าใจทางนั้นคนที่ติดผนอบรมตนจะต้องเห็นผลไปอย่างเนื้อ น, นกันกับคนปลูกเป็นไหมเมื่อมันเติบมันใหญ่ขึ้นมาขนาดไหนตัเห็นดอวยด้วยไป่นมันถือดอกออกผลในตคนของตนแบบนีมีการต่อเชื้ปฏิบัต ต่อไปทำนองเดียวกันเมื่อประฤติปฏิบัติทางคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ่าจริงจังแล้วจิตออกคิดเข้าอย่างไรหยาบละเอียดอย่างไรเข้าใจคาดเขียนในตนท้องตนจนจิตได้รับความสงบสงัดได้รับความลงรวมจากการปฏิบัติมีความถูกขนาดไหนเข้าใจปัญญาที่เจนายแฝงไถ่อะไรจิตเคยจิตคล้องแล้วหายไป ในเป็นยึดเป็นไทยแก่จนขึ้นอีกรู้จักฝนฝนเป็นลำดับลาดับไปเป็นจิตใจแส่ไทยที่เหิดตันหามาน่าคิดๆอาชาอุปาทานจิตใจยึดมั่นในถาตในขันหมดไปเร่อะไรเป็นอย่างไรก็เข้าใจทัดเปลียนเห็นแจ้งขึ้นในตัวของตุปปัญญาส่วนนี้เป็นปัญญาสายธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นทางชื่นใจข้ามจากโอเคสงสารไปได้ส่วนปัญญาที่พวกเราใส่ชุดคิดเจน่าอย่างปกปัญญาผู้ทุชนที่คิดค้นสร้างวัตถุต่างๆในเป็นอย่างนั้นจะรู้จะตลาดจะเท่าไรกไม็มีวันจะแก่ไขเรื่องวิ่ลปัญหาได้มีแต่เพิ่มสิทธิีขวูดสิ่นิแต่รับความลำบากยากเย็น เดือไปได้สิงนั้นอยากสิ่งนี้น ไ, นไม่มีรันเพียงพอบริบูรณ์โลกยี่เหมือดโลกตั้หาไม่มีรันพอมีเท่าไรยิ่งอยากได้มากเท่านั้นเหมือ น, นกันกบไฟไฟราชาไฟโทสะไฟโมหะที่ท่นานต่อไว้ได้เท่าไรไม่มีเมือ่อพอ ธรรมดาไฟมีเชื่อมาถอยก็ยยืดลุกเรียใหญ่ขึ้นเท่านั้นถ้าหาอยากจะให้ไฟมันดับแลาต้องี่เจนาหาทางแก้ไขมีอยานำเชื่อของไฟเข้าไปเพิ่มอีกไฟมันนเมีเชื่อที่จะไหม้มันกอดหายไปดับลงไปดับลงไปคนที่ฝึกจะดับไดบ้มีจิตใจของพวกเราทั้งหลาย <c oughs> อยากจะให มันหายจากความเดือดร้อนอยากจะให้มันมีความสุขความสบายแต่เชื่พราะหาเชือกมาบำรุงไฟให้มันเกิดกองใหญ่ขึ้นทุกทีฝนทีท่สุดมันก็เดือดร้อนกองใหญ่ขึ้นเท่าไรความร้อนก็ยิ่งไปออกไป <c ười> ได้รับการลำบาก <c ười> ถ้งหากเราไม่อเอาเชือกไปบำรุงมันที่เจนะ เอาเชื่อออกบ่อยๆผลที่สุดไฟมันหมดเชื่อมั น, ม น, มนมก็ดับไปเองในจิตใจก็ให้พิจารณาคา น, นองนั้นจะไปสงเสิมเสิมตามเรื่องจิตจะทำจิทั้งตนให้เดือวร้อนหากบุคคลผู้ใดรู้เรื่องของไฟือลาทะโทสะโมหะได้่วาลาะจะให้มันหายได้นี่ใช่ว่าจะหา รูปเสียงสลิ่นรสเหล่านั้นมาบำบวงบำเลมันให้มันหายไปโทษะจะให้มันหาย ไ, ได้ต้องใสัวจิตหาเรื่องจิดของคนอื่นมาดับมันตัวจิตสนโทษของราคาโทสะจึงจะเกิดเมตตาหรือยิลาคะ ความหมดจำกัดไได้ธรรมของพระพุทธเจา้าเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที้แกลืดเป็นเรื่องที่ทำผทูกกับพิต์ปฏิบัติใึงจะรับความสงกสงัดจรินไม่มีอะไระแก่ืดแไ้ไดนอกจากผูกประพฤสติปฏิบัติผูกกับทำบาเพ็ญถางเราไม่ปฏิบัติไม่ ท, ไมทาบาเพ็ญใครเล่าเขาจะมาทาให้ เราไม่ดืมเราไม่รับประทานชายเล่าแล้วเขาจะมาดื่มมารับประทานให้จะอยู่กับพระพุทธเจ้าหากเราไม่ทำตามโอวาทของท่านท่านก็เพียงแต่เป็นคนบอกคนสอนเท่านั้นเราก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะรับความสุขความสบายนี่เราเกิดมาสุดท้าย้ายหลังแต่ทําอยู่ในทำสั่งสอนต้องพระพุทธเจ้ายังคงสื่อดีงานอยู่ทุกอย่างอส่าเทวยาม บางชายราจาใจทั้งตนแต่ทำบำเพ็ตามโอวาที่ท่านสั่งสอนเอาไว้อบรมจายอบรมใจทั้งตนให้รับผนชือความสุขตามที่ท่านแนะนสอนอยา่าไปดีเป็นตาย่อนใข่เพราะความใจนิ ด, น ด, น ด, นดหน่อยๆกว่าเป็นแบบนี้ได้ะนะเป็นทำ ไม่เพียงพอบริบูรเลยวะอยากจะได้ผลก่อนเกิดที่จะทำบำเพลเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะพบขอมีภ่าคือความสุขอันทะเ บ, บูยไดาจนพากันแมนสอนเป็นของตนอย่างนั้นทำว่าอบรมสั่งสอนอบก่ออบเพื่อให้ <c oughs> กลิดีขึ้นลมก็ลมแห่งมสีสวยงามขึ้นจิตขเรามันมีกลิ่นอย่างไรท่าน่ึงให้อบมีสีอย่างไรท่านจึงถึงจะให้มัก็คือสั่งให้หยุดแห่ทาสอนให้รู้จะเกิดจลถือคือควรรู้ควรเข้ใจ